พระสุตตันตปิฎกอังคุตรานิกายสัตการนิบาตประชุมข้อธรรมะเจ็ข้อขอยกมาเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้อาริหานิยธรรมเจ็ดของภิกษุ 1. ่มันประชุมกันเนืองนิด 2. พร้อมเรียงกันประชุมร้อมเรียงกันเลิกประชุมพร้อมเรียงกัรทำกิจสงสามไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ ไม่ล้มล้างสิ่งที่ทรงบัญญัติไว้ 4. เคารพนับถือภิกษุผู้เป็นใหญ่เป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกรับปังโอวาทของท่าน 5. ยินดีในเสนาสนะปา่า 6. ไม่รู้อำนาจตัณหาคือความอยากที่เกิดขึ้น 7. ตั้งสติระลึกไว้ในใจว่าขอให้เพื่อนปรมจารีผู้ทรงศีล จงมาอยู่ด้วยกันอย่างพาสุขอภริหานิยธรรมเจ็ดของภิกษุอีกในหนึ่งไม่เพลินการงานไม่เพลินการคุยไม่เพลินการนอนไม่เพลินการคลรุกคลีด้วยหมู่คณะไม่ตกอยู่ในอำนาจความปรารถนาลามกไม่มีมิตรชั่วไม่นิ่งนอนใจในระหว่างเพราะได้บรรลุขุณในวิเศษเพียงขั้นต้ น, ตน หมายเหตุผู้อ่านคําว่าไม่เพลินการงานการงานในที่นี้คือการงานแบบชาวโลกที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่เกี่ยวกับการอบรมจิตใจและการเผยแผ่พระธรรมนะครับกัลยาณมิตรธรรมเจ็ดประการน่ารักน่าเคารพน่ายกย่องมีคุณธรรมควรเอาอยา่างรู้จักพูดรู้จักชี้แจงให้เข้าใจ อดทนต่อถ้อยคํารับฟังการปรึกษาซักถามไม่เบื่อกล่าวชี้แจงเรื่องต่างๆได้ลึกซึ้งไม่ชักจูงสิทธิ์ไปในทางเสื่อมเสียวิธีแก้ง่วงเจ็ดประการ 1. คิดถึงสัญญาคือทบทวนความทรงจำในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 2. พิจารณาความรู้ ได้แก่ตรึกตรองวิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา 3. ส, สาธยายมนคือท่องหนังสือดังๆ 4. เอานิ้วยอนหูเอามือรูปตัวไปมา 5. ลุกขึ้นยืนเอาน้ำล้างหน้าล้างตาเหลียวมองรอบทิศ 6. เดินจงกรมคือเดินกลับไปกลับมาด้วยความมีสติ เจ็ดสมรรจสีหใสยญาตคือนอนตะแคงขวาเอาเท้าเหลื่อมกันตั้งสติไว้ก่อนหลับหมายเหตุผู้อ่านให้สังเกตข้อสุดท้ายนะครับวิธีแก้ง่วงต่างๆสุดท้ายแล้วถ้าร่างกายไม่ไหวพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสสอนให้นอนซะแต่นอนด้วยความมีสติพัญญาเจ็ดประเภท ได้แก่พัญญาเยี่ยงเพชฌฆาตเยี่ยงโจรเยี่ยงนายเยี่ยงมารดาเยี่ยงน้องสาวเยี่ยงเพื่อนและเยี่ยงนางทาสีสัพปริสธรรมเจ็ดประการได้แก่ทำมัญญุตารู้เหตุอัฐมัญญุตารู้ผลอัตตัญญุตารู้ตนมัตตัญญุตารู้ประมาณ กาลันยุตตารู้กาลบริสันยุตตารู้บริษัทบุคลันยุตตารู้บุคคลพระพุทธเจ้าตรัสว่าโดยล่วงไปแห่งกาลนานนับได้หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีจะมีสมัยซึ่งฝนไม่ตกพืชต้นไม้ใบหญ้าจะเหี่ยวแห้งตายไม่มีเหลือโดยล่วงไปแห่งกาลอันยาวนาน ก็จะถึงสมัยที่พระอาทิตย์ปรากฏขึ้นสองดวงสามดวงสี่ดวงห้าดวงหกดวงและเจ็ดดวงมหาปัตตพีนี้และขุนเขาสินเนรุจะลุกไหม้มีเปลวไฟพุ่งขึ้นถึงพรมอัตถกานิบาตประชุมข้อธรรมะแดข้อพอยกมาพอเป็นตัวอย่างดังนี้ อนิสง์เมตตาแปดได้แก่หลับเป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของอามนุษย์ทั้งหลายเทวดาพิทักษ์รักษาไฟยาพิษสัตรามีกล้ำกลายและข้อสุดท้ายตายไปเกิดในโรมโลกคุณสมบัติของทูตแปดประการได้แก่รู้จักฟัง รู้จักทำให้ผู้อื่นฟังเรียนรู้อยู่เสมอความจำดีรู้แจมแจ้งให้ผู้อื่นรู้แจมแจ้งฉลาดในประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ไม่ชวนทะเลาะพระพุทธองค์ตรัสว่าพระสารีบุตรมีคุณสมบัติ8ปประการนี้ชายหญิงผูกใจด้วยอาการแปดอย่างดังนี้ด้วยรูปร่าง ด้วยการยิ้มด้วยคำพูดด้วยเพลงขับด้วยการร้องไห้ด้วยอากาบกิริยาด้วยของกำนันและด้วยสัมผัสความอัศจรรย์ของพระธรรมวินัยเปรียบกับมหาสมุทร8ประการ 1. ในพระธรรมวินัยนี้มีการศึกษาการปฏิบัติและการตรัสรู้ไปตามลำดับ เบื้องต้นจนลึกซึ้งตามลำดับเปรียบเหมือนมหาสมุทรค่อยลุ่มค่อยลาดค่อยลึกลงตามลำดับสองเหล่าสาวกไม่ล่วงละเมิดข้อบัญญัติที่ตราไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเปรียบเหมือนมหาสมุทรมีลักษณะคงตัวไม่ล้นฝั่งสพระธรรมวินัยนี้ไม่เก็บคนทุศีลไว้ เปรียบเหมือนมหาสมุทรไม่เก็บซากศพไว้มีแต่สัตดเข้าหาฝั่ง 4. พระธรรมวิไนนี้เป็นที่รวมคนในวันณะทั้งสไม่ว่าจะมาจากวันณะไหนย่อมทิ้งชื่อโคตเดิมหมดเหลือแต่ชื่อสมณะสักยบุตรเปรียบเหมือนมหาสมุทรเป็นที่ไหลมารวมแห่งแม่น้ําทั้งหลายและเมื่อไหลมาถึงมหาสมุทรก็ละชื่อเดิมทั้งหมด 5. แม้ภิกษุในธรรมวิไนนี้ล่งลับไปมากต่อมากก็ไม่ปรากฏว่าพระธรรมวิไนนี้พร่องหรือล้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรไม่ปรากฏพร่องหรือล้นฉะนั้น 6. พระธรรมวิัยนี้มีรสเดียวคือวิมุตเป็นรสเปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรสเค็มอย่างเดียว 7. พระธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมายเช่นสติปัฏฐานสี่ส ม, มปัฏฐานสี่เป็นต้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรัตนะมากมายเช่นมุกดาไยทูลเป็นต้นแปดพระธรรมวินัยนี้เป็นที่อาศัยอยู่ของคนสำคัญสำคั ญ, คญเช่นพระโสดาบันพระสกทาคามีเป็นต้น เรียบเหมือนมหาสมุทรเป็นที่อาศัยของสัตว์ใหญ่เช่นปลาติมิติมิงคละเป็นต้นคุณสมบัติของอุบาสก8ปดประการได้แก่ตนมีศรัทธาชักชวนให้ผู้อื่นมีศรัทธาตนมีศีลชักชวนให้ผู้อื่นมีศีลตนมีจาคะชักชวนให้ผู้อื่นมีจาคะตนใคร่เพื่อเห็นพระภิกษุ ชักชวนให้ผู้อื่นใกล้เห็นพระภิกษุตนทรงจำธรรมะชักชวนให้ผู้อื่นทรงจำธรรมะตนพิจารณาอัฏฐะแห่งธรรมะที่ฟังชักชวนให้คนอื่นพิจารณาอัฏฐะแห่งธรรมะตนรู้ทั่วแห่งธรรมะที่พิจารณาชักชวนผู้อื่นให้รู้ทั่วถึงธรรมะที่พิจารณาและข้อสุดท้าย ตนรู้แล้วปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมะชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมะพลัง8ปประการได้แก่ทารกมีการร้องไห้เป็นพลังมาตุคามหรือผู้หญิงมีความโกรธเป็นพลังโจรมีอาวุธเป็นพลัง พระราชามีความเป็นใหญ่หรืออำนาจเป็นพลังคนพาลมีการเพ่งโทษคนอื่นเป็นพลังบัณฑิตมีการเพ่งโทษตนเองเป็นพลังผู้คงแก่เรียนมีการพิจารณาเป็นพลังและสมณพราหมณมมีขันติเป็นพลังสั ป, ปุริสทานการให้ทานอย่างสัตว์อุษรหรือคนดี ประการได้แก่ให้ของสะอาดให้ของประณีตให้เหมาะแก่การให้ของควรให้ด้วยวิจารณญาณให้เป็นประจำเมื่อให้จิตผ่องใสและให้แล้วเบิกบานใจลักษณะตัดสินธรรมวินัยแปประการธรรมะ ในที่นี้หมายถึงคำสอนธรรมะเหล่าใดเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดเพื่อหมดเครื่องผูกรันเพื่อไม่พอกขูนกิเลสเพื่อความมักน้อยเพื่อความสันโดษเพื่อความส ง, งัดเพื่อปรารถนาความเพียรและเพื่อเป็นคนเลี้ยงง่ายคำสอนเหล่านั้นพึงรู้ว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นสัตตุสาส พระนามของพระตถาคตพระพุทธเจ้าตรัสว่าคําเหล่านี้ก็เป็นพระนามของพระตถาคตคือสมณะหมายถึงผู้สงบพรามหมายถึงผู้ลอยบาปเวทคูหมายถึงผู้จบพระเวทพิสักกะหมายถึงหมอนิมมะละละวิมละคือบริสุทธิ์ยานีคือผู้ทรงญาณ วิมุตตะคือผู้พ้นแล้วโจรมีพฤติกรรมแปดประการอยู่ได้ไม่นานได้แก่ทำร้ายผู้ไม่ได้ทำร้ายขโมยของไม่เหลือฉุดคร่าสตรีขมขืนหญิงสาวปล้นนักบวชปล้นพระคลังหลวงหากินใกล้ถิ่นตนเกินไปและไม่รู้จักที่ซ่อนทรัพย์สิน